หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สองวิธีปฏิบัติ6ประการเพื่อทําให้ผู้อื่นชอบท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่สถ้าท่านไม่ทําตามนี้ท่านจะใบหน้าไปพบความยุ่งยาก ย้อนหลังไปยังปีคิเตศักราช1898เหตุการณ์อันพึงเศร้าสลดอุบัติขึ้นที่เมือง Rock ร็อกแลนเคานตี้รัฐนิวยอร์กเด็กคนหนึ่งตายและในวันอันเป็นวาระพิเศษนี้เพื่อนบ้านต่างพากันเตรียมตัวเพื่อไปในพิธีฝังศพยิมฟาลี่ไปที่ฉางข้าวเพื่อเอาม้าขี่ไปในพิธีนี้เช่นเดียวกันเป็นวันที่อากาศหนาวจัดอย่างรุนแรงจนพื้นดินปกคลุมด้วยหิมะ และม้าตัวนั้นมีได้ออกกำลังกายมาหลายวันดังนั้นเมื่อมันถูกจูงมาที่ถังน้ำมันหมุนตัวเป็นวงกลมอย่างคึกคนองแล้วยกตีนหน้าทั้งสองขึ้นสูงซึ่งจากการกระทำนี้ไปโดนยิมฟารีถึงแก่ความตายด้วยเหตุนี้เองหมู่บ้านเล็กๆชื่อสตนนีพอยซึ่งมีพิธีฝังศพสองครั้งในสัปดาห์นั้นแทนจะเป็นครั้งเดียวยิมฟารีทิ้งไว้ทางเบื้องหลังเมียและลูกชายสามคน พร้อมด้วยเงินค่าประกันชีวิตเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญลูกชายคนโตของเขาซึ่งชื่อยิมเหมือนพ่ออายุสิบปีต้องไปทำงานที่ลานของโรงทำอิดแห่งหนึ่งด้วยการหมุนล้อให้ดินเทเข้าไปในแบบแล้วหยิบแผ่นอิดออกจากแบบมาวางตะแคงเพื่อนำไปตากแดดต่อไปเด็กชายยิมคนนี้ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าใดนักแต่อาศัยเป็นคนยิ้มแย้มร่าเริงตามแบบผู้มีเลือดไอริสของเขา เขาจึงมีความสามารถพิเศษในทางทำให้ผู้อื่นชอบเขาเหตุนี้เองเมื่อเขาโตขึ้นเขาจึงหันเข้าเล่นการเมืองและมีสมรรถภาพอย่างไม่มีผู้เสมอเหมือนในทางจำชื่อของผู้อื่นได้แม่นยำเขาไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในโรงเรียนมัธยมชั้นสูงแม้กระนั้นก่อนเขาอายุครบ46ปีมีวิทยาลัยีแห่งให้เกียรติแก่เขาด้วยการมอบปริญญากิติมศักดิ์ให้ เขารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการของพรรคเดโมแครตแห่งชาติและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไตรสณีแห่งสหรัฐข้าไเจ้าเคยสัมภาษณ์ยิมฟารีมาครั้งหนึ่งด้วยการถามเขาถึงเคล็ดลับของความสําเร็จของเขาเขาตอบทํางานให้หนักสิครับและข้าพเจ้าพูดอย่าพูดตลกหน่อยเลยครับครั้นแล้วเขาถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ามีความคิดว่ามูลเหตุแห่งความสําเร็จของเขามาจากอะไรข้าพเจ้าตอบ ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะท่านสามารถจำชื่อตัวของใครต่อใครได้ราวหมื่นคนไม่ใช่หรอกท่านผิดเลยแล้วเขากล่าวผมจำชื่อตัวของใครต่อใครได้ถึงห้าหมื่นคนต่างหากจะไม่เป็นการผิดพลาดเลยถ้าจะกล่าวว่าความสามารถอันนี้ของฟาลีช่วยให้แฟรงคลินดีร์สเวลเข้าไปอยู่ในไวท์เฮาส์ในฐานะประธานาธิบดี ในระหว่างเวลาหลายปีที่ยิมฟารีเดินทางไปตามเมืองต่างๆในฐานะคนเดินตลาดขายแร่ยิบซ้าของบริษัทการค้าแห่งหนึ่งและในระหว่างเวลาหลายปีที่เขาทำรัฐการในหน้าที่อักษรเลขที่สโตนนีพอยเขาหาวิธีจำชื่อบุคคลต่างๆไว้ได้อย่างแม่นยำการหัดจำชื่อบุคคลต่างๆเป็นการปฏิบัติที่ง่ายมากทีเดียว ขณะใดก็ตามเมื่อเขาทำความรู้จักกับผู้ใดเขาจะสืบถามชื่อตัวและชื่อสกุลของคนนั้นๆครอบครัวเล็กใหญ่ขนาดไหนมีอาชีพอะไรและมีความคิดเห็นทางการเมืองประการใดเขาท่องสิ่งเหล่านี้จนจำได้ขึ้นใจครั้นเขาพบคนนั้นๆในครั้งต่อมาแม้จะเป็นเวลาห่างกันหนึ่งปีเขาสามารถตบหลังแล้วถามถึงเมียและลูกๆและถามถึงต้นฮอรีฮอคที่สนามหลังบ้านว่า ยังคงมีดอกงามอยู่หรือเปล่าแน่นอนเขาไม่ได้ปฏิบัติเพียงเท่านี้หากก้าวหน้าต่อไปอีกในระยะเวลาไม่กี่เดือนก่อนแฟรงคลินดีรสเวลจะเริ่มรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดียิมฟารีเขียนจดหมายวันละหลายร้อยฉบับถึงบุคคลต่างๆซึ่งอยู่ตามรัฐภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือต่อจากนั้นเขากระโดดขึ้นรถไฟเดินทางไปสู่รัฐเหล่านั้นซึ่งภายใน15วัน เขาไปทั่ว20รัเนับเป็นระยะทาง 12,000 ไมล์การเดินทางของเขานอกจากใช้รถไฟบางครั้งนั่งรถม้ารถยนต์และเรือชนิดใช้กันเชียงเขาแวะลงตามเมืองต่างๆพร้อมกับมิตรสหายและคนรู้จักในระหว่างอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันเวลากินน้ำชาตอนบ่ายหรือเวลาอาหารค่ำแล้วกล่าวปรสาสัยแก่คนเหล่านั้นอย่างฉันกันเอง เสร็จแล้วเขารีบเดินทางไปสู่ที่อื่นต่อไปเมื่อเขากลับมาถึงบ้านซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเขาจะเขียนจดหมายถึงใครคนหนึ่งในทุกๆเมืองที่เขาแวะเยี่ยมเยียนมาแล้วขอร้องให้ส่งรายชื่อแขกผู้มากินอาหารร่วมกับเขาและได้ฟังเขาพูดรายชื่อของแขกเหล่านั้นเมื่อรวมยอดกันเข้าทุกๆเมืองนับเป็นจํานวนหลายหมื่นชื่อแม้กระนั้นทุกๆรายชื่อต่างปราบปลื้มที่ได้รับจดหมายฉันกันเองจากยิมฟารี จดหมายเหล่านั้นขึ้นต้นด้วยบิลที่รักหรือโยที่รักและมีลายเซ็นว่ายิมยิมฟารีพบความจริงมาตั้งแต่ครั้งยาวไวัว่าคนทั่วๆไปเอาใจใส่ต่อชื่อของตนเองยิ่งไปกว่าชื่อของผู้อื่นทั้งโลกมารวมกันเข้าท่านจงจำชื่อผู้อื่นไว้และจงเรียกเขาเหมือนหนึ่งชื่อนั้นติดอยู่ที่ปากของท่านซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าท่านได้แสดงความคาระวะต่อเขาอย่างละมุนละไม แต่โปรดอย่าเรียกผิดหรือเขียนสะกดตัวผิดมีฉะนั้นจะกลายเป็นโทษอย่างร้ายแรงเป็นต้นว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเปิดโรงเรียนสอนการพูดในที่ชุมนุมนักกรุงปารีสและส่งจดหมายเวียนไปยังชาวอเมริกันทุกคนที่อยู่ในกรุงนี้บังเอิญพนักงานพิมพ์ดีดชาวฝรั่งเศสผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาเป็นผู้พิมพ์ชื่อลงที่จดหมายเวียนเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะเกิดผิดพลาดขึ้นได้ ชายผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารอเมริกันขนาดใหญ่ในกรุงปารีสเขียนจดหมายมาเล่นงานข้าวเจ้าเสียใหญ่เนื่องจากสะกดชื่อของเขาผิดเพราะเหตุใดแอนดูไคน e กีจึงประสบความสำเร็จอันงามมีผู้เรียกเขาว่าเป็นบรรชาแห่งเหล็กกล้าทั้งๆตัวเขาเองมีความรู้การทำเหล็กกล้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของเขานับเป็นจำนวนร้อยๆมีความรู้เรื่องเหล็กกล้ามากกว่าเขาอย่างเปรียบกันไม่ได้ แต่เขามีความรู้เรื่องวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดีและสิ่งนี้เองส่งเสริมให้เขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่เมื่ออายุยังเยาว์เขามีแววในการจัดระเบียบงานและเป็นหัวหน้าที่ดีเมื่อตอนเขาอายุสิบปีเขาพบความจริงว่าบุคคลทั้งหลายต่างถือว่าชื่อของตนมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเขานําสิ่งที่ค้นพบนี้มาใช้ให้ผู้อื่นร่วมมือกับเขาเรื่องเป็นดังนี้เมื่อตอนเขาเป็นเด็ก อยู่ในสกอตแลนด์เขามีแม่กระต่ายอยู่ตัวหนึ่งต่อมาอีกไม่นานแม่กระต่ายตัวนี้ออกลูกครอกใหญ่และไม่มีอาหารพอที่จะเลี้ยงลูกเขาเกิดความคิดเฉียบแหลมขึ้นมาเขาบอกเด็กชายเพื่อนๆในละแวกนั้นว่าถ้าใครก็แล้วแต่ไปหาต้นโคเวอร์และแดนเดไลอ์ออนมาเลี้ยงลูกกระต่ายเขาจะให้เกียรติตั้งชื่อกระต่ายแต่ละตัวเหมือนชื่อของเด็กพวกนั้นแผนการของเขาได้ผลอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งแอนดูคาเนกี้ไม่เคยลืมมันเลยหลายปีต่อมาเขาใช้จิตวิทยาอย่างเดียวกันในทางธุรกิจเป็นต้นว่าเขาต้องการจะขายรางรถไฟให้บริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียเรลโรดซึ่งตอนนั้นเยเอดกาทอมสันเป็นประธานแอนดูคาเนกี้ตั้งชื่อโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นในเมืองพิทเบิร์กว่าโรงถลุงเหล็กเอดกาทอมสันนี่แหละคือปริศนาที่น่าคิดละ่ะ ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าท่านสามารถทายถูกหรือเปล่าว่าเมื่อบริษัทเพนซิเวเนียเรลโรดซึ่งต้องซื้อรางรถไฟเยทอมสันจะซื้อจากใครจากบริษัทเซียโรบักกีไม่ใช่ไม่ใช่ท่านทายผิดโปรดทายอีกครั้งหนึ่งสิท่านเมื่อตอนเอนดูคานิกี้และยอทพุนมันชิงดีกันในการค้ารถโดยสารชนิดมีที่นอนสาหรับรถไฟราชาเลกกล้า นึกถึงบทเบรียนตั้งชื่อกระต่ายอีกครั้งหนึ่งบริษัทเซนตันทรานสปอร์ตเตชัน่นซึ่งเอนดูแคนนิกี้เป็นผู้อำนวยการต่อสู้แข่งขันกับบริษัทที่พุนมันเป็นเจ้าของคนทั้งสองต่างใช้ความพยายามที่จะติดต่อขายรถพ่วงชนิดมีที่นอนให้บริษัทรถไฟยูเนียนแปซิฟิกเรลโรดด้วยการชิงดีซึ่งกันและกันและตัดราคาอย่างหันหลกทั้งคนนิก้และพูนมันเดินทางไปนครนิวยอร์ก เพื่อพบกับกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทยูเนียนแปซิฟิกเย็นวันหนึ่งคนทั้งสองพบหน้ากันที่โรงแรมเซนนิโคลัสคาเนกี้พูดขึ้นสายันสวัสดีภณ น, นันเราทั้งสองต่างเป็นคนบัดซบด้วยกันจริงไหมครับท่านหมายความว่าอะไรุณนันซักครั้นแล้วคาเนกี้อธิบายความในใจของเขา ความปรารถนาที่จะรวมบริษัทเซนตันทรานสปอร์เตชั่นกับบริษัทพูนมันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเขาวาดภาพความเจริญรุ่งเรืองของกิจการจากการร่วมมือแทนการเป็นประปักต่อกันให้อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตลอดเวลาพูนมันฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแต่เขายังไม่ติดใจตามคำชักชวนนั้นไปเสียหมดทุกอย่างสุดท้ายเขาถามขึ้น ท่านจะตั้งชื่อบริษัทใหม่ว่าอย่างไรคาเนกีตอบส่วนไปทันควันก็บริษัทพุนมันแพรเลดคาไงาล่ะครับสีหน้าของพุนมันแจ่มใสขึ้นไปที่ห้องผมกันดีกว่าเขาบอกเราจะไปปรึกษาหารือกันอย่างเต็มที่การปรึกษาหารือระหว่างคนทั้งสองกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการอุตสาหกรรมวิธีการอันนี้ของแอนดคาเนกในการจาชื่อมิตรสหายและผู้ร่วมงานได้อย่างแม่นยา และให้เกียรติเขาเหล่านั้นบางคนด้วยการเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อสิ่งอื่นๆนับว่าเป็นเคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เขาเป็นหัวหน้าที่ดีเขาภูมิใจต่อความจําของเขาที่สามารถเรียกชื่อตัวคนงานเป็นจํานวนไม่น้อยได้ถูกต้องและเขาคุยอวดว่าในขณะเขาเป็นผู้ควบคุมดูแลคนงานจะไม่มีการรวมหัวนัดกันหยุดงานในโรงถลุงเหล็กของเขาเป็นอันขาดในแบบละไม้คล้ายครึ่งกันพาเดเรฟสกี ทำให้คนครัวผิวดำบนรถนอนแบบพูนมันเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการเรียกคนครัวผู้นี้มิสเตอร์คัพเปอร์พาเดเรฟสกี e <S <S เคยเช่ารถนอนถึง15ครั้งในวาระต่างๆกันเพื่อการเที่ยวแสดงเปียโนทั่วสหรัฐซึ่งประสบการต้อนรับอย่างคลึกโครมจากผู้ฟังตามเมืองต่างๆทั้งสองด้านมหาสมุทร และทุกครั้งที่เขาเช่ารถนอนในการเดินทางและอยู่กินในรถนั้นคนครัวผิวดําคนเดียวกันติดตามเขาไปทุกคราวและคนครัวผู้นี้จะเตรียมอาหารสําหรับกินในตอนเที่ยงคืนหลังการแสดงไว้ให้เขาทุกๆคืนในระหว่างหลายปีที่คนครัวผู้นี้ติดตามรถนอนเช่าพิเศษไปกับเขาพาเดเรฟสกีไม่เคยเรียกเขาว่ายอร์ดซึ่งเป็นชื่อตัวของคนครัวตามแบบอย่างชาวอเมริกัน แต่เขาถือแบบแผนของชาวโลกเก่าด้วยการเรียกคนครัวผู้นี้มิสเตอร์คอปเปอร์ทุกครั้งแน่ละ่ะมิสเตอร์คอปเปอร์พึงพอใจต่อคำยกย่องนี้อย่างที่สุดมนุษย์เราภูมิใจในชื่อสกุลของเขาและประสงค์จะให้ชื่อสกุลคงดำรงอยู่ชั่วการนานแม้จะเสียเงินมากมายเพื่อจุดประสงค์อันนี้ก็ตามเป็นต้นว่าพีทีบานนำผู้เป็นนักพ่นที่เจ้าชาญและชนานาญเวทีมาแล้ว เมื่ออยู่ในวัยชราเขาหมดหวังจะมีลูกชายไว้สืบตระกูลจึงจ่ายเงินแก่หลานชายของเขาวงเล็บเปิดลูกของลูกสาววงเล็บปิดชื่อซีเอสซีรี 25,000 เหรียญเพื่อให้หลานชายใช้นามสกุลว่าบานัมซีรีเมื่อสองปีมาแล้วพวกผู้ดีทรัพจ้างนักประพันธ์ให้อุทิศหนังสือแก่ชื่อของตนหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นหนี้ในการมีสิ่งสะสมอันล้นค่าแก่ผู้วาดวิตกว่านามสกุลของเขาจะหายไปจากความทรงจำของมนุษย์หอสมุดสาธารณะแห่งนครนิวยอร์ก York, มีห้องสะสมของแอสเตอร์และเลน็อกพิพิธภัณฑ์เมโทโรโรลิตันมีห้องสะสมซึ่งจะอยู่ช่วกระปรวสารของเบนยามินอันมันและเยพีมอแกนและตามหน้าต่างโบสถ์เกือบทุกแห่งซึ่งประกอบด้วยกระจกสีสวยงาม มีชื่อของผู้บริจาคสร้างมันขึ้นคนส่วนมากจำชื่อผู้อื่นไม่ได้เนื่องจากมีเหตุผลง่ายๆว่าไม่มีเวลาและกำลังความคิดพอที่จะทวนชื่อนั้นๆจนจดจำไว้เขาเหล่านี้ใช้คำว่ามีภาระยุ่งเหลือเกินเป็นข้อแก้ตัวของเขาอยู่เสมอแต่คนเหล่านี้คงไม่มีภาระยุ่งไปกว่าแฟงคลินดีโรสเวลเป็นแน่โรสเวลผู้มีเวลาพอที่จะจำแม้แต่ชื่อช่างเครื่องยนต์ซึ่งเขาติดต่อด้วย เรื่องเป็นดังนี้บริษัทไครสเลอร์ ler, สร้างรถยนต์เป็นที่เศษให้มิสเตอร์รถเวลคันหนึ่ง W.F. แชมเบอร์เลนกับช่างเครื่องคนหนึ่งเป็นผู้นำรถคันนี้มาส่งให้ท่านประธานาธิบดีที่ทำเนียบไวท์เฮาส์บนโต๊ะเบื้องหน้าข้าพเจ้าขณะ น, นี้มีจดหมายของมิสเตอร์แชมเบอร์เลนเล่าเรื่องที่เขาประสบพบเห็นในการมอบรถคันนี้ผมสอนท่านประธานาธิบดีให้รู้จักใช้รถยนต์ ซึ่งมีเครื่องให้ความสะดวกกระจุกกระจิกร้อยแแต่เขากลับสอนศิลปะแห่งการรู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ผมเสียเยอะแยะเมื่อผมมาถึงไวท์เฮาส์มิสเตอร์แชมเบอร์เลนเขียนเล่าในจดหมาย ท่านประธานาธิบดีต้อนรับด้วยอาการชื่นชมยินดีและยิ้มแย้มแจ่มใสเขาเรียกชื่อสกุลของผมแสดงกิริยาท่าทางกับผมอย่างกันเองจนผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดแม้แต่น้อยและสิ่งประทับใจผมเป็นพิเศษก็คือเขาสนใจอย่างใหญ่หลวงในสิ่งต่างๆที่ผมแสดงวิธีใช้ให้เขาดูและอธิบายให้เขาเข้าใจรถยนต์คันนี้ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้มือในการบังคับทุกๆอย่างมีคนมุงดูรถกันแน่น เขาพูดขึ้นผมคิดว่าเป็นรถแปลกประหลาดมากเพียงแต่กดปุ่มเท่านั้นมันก็แล่นไปได้และขับโดยไม่ลำบากอะไรเลยมันช่างวิเศษเหลือเกินผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่ทำให้มันแล่นไปผมอยากจะหาเวลาเปิดมันออกให้หมดทั้งคันเพื่อดูว่าเครื่องข้างในมันทำงานอย่างไรตอนมิสเตอร์และผู้ร่วมงานตำแหน่งสูงๆของรถเวลชมเชยเครื่องของรถยนต์เขาพูดต่อหน้าคนเหล่านั้นมิสเตอร์แชมเบอร์เลน ผมพอใจอย่างยิ่งสําหรับเวลาและสติกําลังที่คุณได้ใช้ในการสร้างรถคันนี้มันเป็นงานที่พิเศษแท้เขาพูดชมหน้ามอกระจกสําหรับดูข้างหลังทําเป็นพิเศษนาฬิกาไฟฉายซึ่งสร้างขึ้นอย่างพิสดารหนังหุ้มเบาะและส่วนต่างๆด้านในที่นั่งสําหรับคนขับหีบหนังใบย่อมอยู่ในหีบหนังใบใหญ่ซึ่งมีชื่อย่อของเขาเขียนเป็นอักษรไขว้ไว้ที่หีบใบเล็กทุกใบหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ เขาสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่ผมอธิบายให้เขาเข้าใจเขาเชี้ให้นางโรสเวลมิสเพิร์กินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรรมกรและเลขานุการของเขาดูเครื่องประกอบต่างๆเขาสั่งให้คนขนของผิวดำชรามาขนหีบหนังไปเก็บและพูดยอดต้องระวังหีบหนังเหล่านี้เป็นพิเศษหน่อยนะเมื่อการสอนให้ขับเสร็จเรียบร้อยท่านประธานาธิบดีหันมาทางผมและพูดนี่นะครับมิสเตอร์แชมเบอร์เลน ผมปล่อยให้คณะกรรมาการสำรองเงินแผ่นดินคอยผมอยู่ส0สนาทีเข้านี่แล้วผมคิดว่าผมควรกลับไปทำงานเสียทีผมพาช่างเครื่องติดไปกับผมในการมอบรถที่ไวท์าส์ด้วยผู้หนึ่งเมื่อตอนมาถึงผมแนะนำเขาให้รู้จักกับรถเวลเขาไม่ได้พูดจาสนทนากับท่านประธานาธิบดีและท่านประธานาธิบดีได้ยินชื่อเขาเพียงครั้งเดียวตอนแนะนาให้รู้จักเท่านั้นช่างเครื่องผู้นี้เป็นคนขี้อายและหลบหน้าอยู่ตลอดเวลา แต่ครั้นเมื่อท่านประธานาธิบดีลาจากเราไปเขามองช่างเครื่องผู้นี้จับมือช่างเครื่องเขยา่าเรียกชื่อได้ถูกต้องและกล่าวขอบใจที่อุตส่านำรถเดินทางมาจนถึงกรุงวอร์ชิงตันคําขอบใจของท่านประธานาธิบดีกล่าวออกมาในอาการแสดงความรู้สึกแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่เป็นพิ ธ, ธีเท่านั้นแม้เดี๋ยวนี้ผมยังรู้สึกซาบซึ้งอยู่หลังจากผมกลับมาถึงนิวยอร์กไม่กี่วัน ผมได้รับภาพถ่ายของท่านประธานาธิบดีโรสเวลล์และมีลายเซ็นเสร็จพร้อมด้วยจดหมายแผ่นเล็กๆกล่าวขอบใจผมและอีกครั้งหนึ่งเขาแสดงความพอใจในความเอื้อเฟื้อของผมมันเป็นความลับซึ่งผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าเขาเอาเวลาที่ไหนมาเขียนแฟรงคลินดีโรถเวลล์รู้ดีว่าวิธีอันง่ายที่สุดปรากฏผลอย่างรวดเร็วที่สุดและสำคัญที่สุดในการผูกไมตรีก็คือการจำชื่อของผู้อื่นและทำให้เขาพูดนั้น เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญแต่มีพวกเราอยู่กี่คนสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่เราถูกแนะนำให้รู้จักกับคนแปลกหน้าเรามักจะพูดกับเขาสองสามนาทีอย่างขอไปทีและเมื่อตอนลาจากกันเราลืมชื่อของเขาเสียแล้วเรียบร้อยบทเรียนบทแรกที่นักการเมืองจะต้องศึกษาก็คือผู้จาชื่อของคนลงคะแนนเลือกตั้งได้คือผู้ที่เป็นนักการเมือง ผู้จำชื่อไม่ได้คือผู้ที่ถูกลืมและความสามารถในการจำชื่อของผู้อื่นมีความสำคัญในธุรกิจและสังคมเช่นเดียวกับในวงการเมืองเหมือนกันพระเจ้านาโปเลียนที่สพระเจ้าจากักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสและเป็นหลานชายของนาโปเลียนมหาราชเคยพูดอวดว่าทั้งๆพระองค์มีราชกิจยุ่งแต่พระองค์สามารถจำชื่อของทุกคนที่พระองค์ได้ทำความรู้จักวิธีการของพระองค์หรือท่าน ง่ายนิดเดียวเมื่อพระองค์ได้ยินชื่อผู้ถูกแนะนําไม่ถนัดพระองค์จะพูดเสียใจมากฉันได้ยินชื่อของท่านไม่ชัดเจนถ้าหากว่าเป็นชื่อที่จํายากพระองค์จะถามสะกดอย่างไรนะระหว่างการสนทนาพระองค์จะเอ่ยชื่อคนคนนั้นหลายครั้งและพยายามจํารูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางและสิ่งอื่นๆทั่วไปเกี่ยวกับคนคนนั้นถ้าหากเขาผู้นั้นเป็นบุคคลสําคัญ นบโปูเรียนที่สมจะใช้ความพยายามจำยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวคือเมื่อพระองค์อยู่แต่ลําพังพระองค์เขียนชื่อบุคคลผู้นั้นลงในกระดาษแผ่นหนึ่งมองดูพยายามตั้งสมาธิให้จำแม่นอยู่ในใจครั้นแล้วฉีกกระดาษแผ่นนั้นด้วยการปฏิบัติในวิธีนี้พระองค์ใช้ตาในการประทับความจำเช่นเดียวกับใช้หูการกระทําดังกล่าวย่อมเพลืองเวลาสักหน่อยแต่การสร้างมรญญาตที่ดีเอเมอร์สันกล่าว จะสำเร็จด้วยการเสียสละเพียงเล็กน้อยดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกดที่สามีดังนี้จงจำไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามสำหรับบุคคล น, นั้นเป็นสำเนียงหวานที่สุดและสำคัญที่สุดในภาษามนุษย์